ห้องสมุดหลังไมโดยรัศมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลืองตอนเราคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินค่ะและพาคุณท่องเที่ยวเรียนรู้ในจิตตนครพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะ วันนี้นำเสนอเป็นตอนที่เจ็ดแล้วค่ะเรามาถึงเกือบเกือบจะครึ่งหนึ่งของจิตตนครเป็นยังไงบ้างคะสนุกสนานตื่นเต้นเราใจแล้วก็ตื่นตาตื่นใจน่าจะพอสมควรเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าจิตตนครเป็นนครที่เหมือนจะไกลแต่ก็ใกล้ดูเหมือนจะใกล้แต่ก็ไกลเหมือนจะมีความลับ แต่ก็ไม่ได้มีความลับเหมือนจะเปิดเผยแต่เราก็อาจจะไม่เข้าใจในหลายสิ่งหลายอย่าง mm. การเข้าใจจิตตะนครถือเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าการเข้าใจนครใดๆในโลกนะคะเพราะเป็นนครที่ก่อให้เกิดความสุขความทุกข์ในชีวิตของเรา <Q> คุณผู้ฟังสามารถที่จะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดจิตตะนครมาฟังได้ค่ะตอนแรกเริ่มเมื่อวันที่31ตุลาคม ทางเว็บไซต์แห่ง น, นี้นะคะไทย PBS o n l i ล e n e t ตค่ะ31ตุลาคมคือตอนแรกของจิตตะนครนะคะวันนี้เป็นตอนที่เจ็ดตอนที่เจ็ดจะเป็นเรื่องของอนุสัยต้นตระกูลของหัวโจกทั้งสามตอนนี้ทั้งสมุไทยและคู่บารมีก็กำลังเป็นคู่ปรับที่ค่อนข้างจะสูสีผลัดกันโน้มน้าวครอบครองจิตใจของ นครสามีหรือเจ้าผู้ครองนครจิตตานครเรื่องราวในทํานองบุคราที่สถานนี้น่าจะให้ข้อคิดแก่เราได้บ้างดิฉันว่ามากทีเดียวนะคะเหมือนให้เราได้ท่องเที่ยวลงไปในจิตใจของเราเองได้เห็นโครงสร้างได้เห็นภาพรวมเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนชีวิตของเราพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เดินทางต่อกันเลยนะคะไปรู้จักกับอนุสัยต้นตระกูลของหัวโจกทั้งสามนั่นก็คือโลภะโทสะโมหะจอมร้ายกาศนั่นเองค่ะอาสวะหรืออนุสัยเป็นกำลังสำคัญของสมุไทยทำงานให้สมุไทยชนิดที่เรียกว่าใต้ดินหรือว่าหลังฉากแล้วก็คอยวางแผนชักใยนะครสามีอย่างแนบเนียน โดยที่นครสามีก็ไม่รู้ว่าตนกำลังถูกชักใหญ่แต่เข้าใจไปว่ามีเพื่อนมิตรเพื่อนเกลือลายคนห้อมล้อมช่วยเหลืออยู่อย่างใกล้ชิดบางครั้งเพื่อนราคะความยินดีความกำหนัดมายั่วยิ้มหรือเพื่อนโลภความโลภอยากได้มายั่วยากบางครั้งโทสะมาก่อกวนบางคราวโมหะมาล่อล่อ เพื่อนเหล่านี้อนุสัยส่งมาทั้งสิ้นย้อนมากล่าวถึงนครสามีซึ่งมองเห็นเพื่อนเกลอหลายคนมาแวดล้อมอยู่ก็เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับเพื่อนเกลือเหล่านั้นถึงบทรักก็รักไปข้างเดียวถึงบทชังก็ชังไปทีเดียวถึงบทลงหลงไหลฝ่ายฟฟันก็มีอยู่บ่อยๆที่ถึงกับออกไปยึดมโนทวานกับวจีทวานกายทวาน เปิดรับเพื่อนเกลอที่ร้ายๆเข้ามาคือจำพวกที่มีชื่อวันโลภไม่มีขอบเขตพยาบาทมิชาทิฐิใจที่จำเรื่องจิตตะนาครในตอนต้นๆได้ก็คงจะนึกได้ส่วนเพื่อนเกลอที่พูดถึงนี้นะคะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือสมุนหัวโจกทั้งสาของสมุไทยนั่นเองซึ่งในตอนนี้ทัานพุนิพนธ์ พระองค์ได้เล่าจำแนกแจกแจงชั้นในให้ละเอียดออกไปเรียกว่าเล่าสืบสายขึ้นไปถึงต้นตระกูลกันทีเดียวอนุสัยนี่เองที่เป็นต้นตระกูลของหัวโจกสมุไทยทั้งสามซึ่งนครสามีได้คบหาเป็นเพื่อนเกอเนิษสนมโดยหารู้ไม่ว่ามีอนุสัยชักใหญ่อยู่หลังฉากตลอดเวลานครสามีมองเห็นแต่เพื่อนเกลล้อมหน้าล้อมหลังในบางครั้ง ที่ปลอดจากเพื่อนเกลอนครสามีก็อยู่อย่างสงบมีความรู้สึกจำใสเข้าใจตนเองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดพองไปแล้วดังนี้ก็มีแต่โดยที่แท้คู่อาสะวะอนุสัยยังมีอยู่ในชั้นในกับนครสามีอย่างเงียบเงียบสิทธิ์พระบรมครูจึงกล่าวว่าอาสะวะอนุสัยเป็นกิเลสชั้นละเอียดเปรียบเหมือนตะกรนที่นอนอยู่ก้นตุ่ม เมื่อยังไม่มีอะไรมากวนให้ตะกรอนก้นตุ่มคลุ้งขึ้นมาน้ําในตุ่มจะดูใสจิตก็ยังมีอาสวะอนุสัยเช่นเดียวกันเมื่อยังไม่มีอะไรมากวนอาสวะอนุสัยให้ฟุ้งขึ้นจิตก็จะปรากฏเหมือนกับสะอาดบริสุทธิ์เมื่อดูจากพื้นผิวความจริงหาเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่เพราะยังมีอาสวะอนุสัยเป็นตะกรอนอยู่เมื่อมีอารมณ์มกวน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 ก็มีลักษณะตรงกันข้ามกับคู่อาสวะเหมือนอย่างขาวกับดำคู่บารมีมีอัธยาศัยมีสันดานดีหลายอย่างตามที่ใครๆชมเชยกันซึ่งลักษณะที่ดีนี้มีอยู่ด้วยกันสิบประการคือหนึ่งมีอัธยาศัยให้ปันสิ่งของแก่ตนทั้งหลายมีสิ่งอะไรก็อดให้มีได้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 และความมักได้อยากจะให้ทั้งหมดเหมือนนางเทห ม, ม่อนน้าคว่ากันเลยทีเดียวประการที่สองมีอัธยาศัยรักตนสงวนตนงดเว้นจากบาปทั้งปวงเป็นผู้มีความละอายใจต่อความชั่วรังเกยียจความชั่วเหมือนอย่างชายหนุ่มหญิงสาวผู้รักสวยรักงามหรือคนสะอาดที่รังเกยียจสิ่งสกปรกมีความเกรงกลัวต่อความชั่วเหมือนอย่างคนกลัวงูพิษสงบไพเวน เพราะไม่ประพฤติก่อภัยเวรแก่ใครๆรักษาตนจากบาปกล่าวอีกในหนึ่งว่ารักษาศีลเหมือนดั่งจำรีรักษาคนประการที่สมีอัธยาศัยปรีกกายปรีกใจออกจากเครื่องติดทั้งหลายของโลกอยู่เสมอเป็นต้นว่ารูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งที่ถูกต้องซึ่งลอตาให้ดูลอหูให้ฟังลอจมูกให้ดมลอดลิ้นให้ลิ้มลอกายให้ถูกต้อง ลอดใจให้คิดและให้ติดตังอยู่เหมือนอย่างเป็นเรือนจําใหญ่วองเห็นเป็นเรือนจําจึงมีฉันทะที่จะออกจากเรือนจําไปสู่แดนที่มีอิสระแก่ตนประการที่สมีอัธยาศัยเสา ะ, ะแสวงหาปัญญาความรู้ในความจริงแห่งสิ่งทั้งหลายพอใจที่จะสดับตรับฟังอ่านไต่ถามคิดค้นพิจารณาจับเหตุจับผลเงื่อนต้นเงื่อนปลายและทดสอบปฏิบัต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 เหมือนดังแผ่นดินรองรับสิ่งทั้งปวงได้ทั้งนั้น 7. มีอัธยาศัยรักษาสัจจะไม่พูดมุสาแม้จะถูกฟ้าผ่าลงสมองเพราะไม่พูดมุสาก็ไม่ยอมพูดเมื่อพูดไว้อย่างใดรับปากไว้อย่างใดก็รักษาคำพูดคือทำอย่างนั้นไม่ตระบัดเหมือนดังดาวโอสถิที่ไม่ละวิถี 8. มีอัธยาศัยตั้งใจมุ่งมั่น พอใจที่จะทำตามความตั้งใจมุ่งมั่นในสิ่งที่จะพึงทำในผลที่จะพึงได้เหมือนดังภูเขาไม่วันไว้ไม่ชอบมีใจรวนเรไม่แน่นอนก้ามีอัธยาศัยประกอบด้วยเมตตาปรารถนาความสุขแก่สัตว์ทั้งปวงไม่เลือกหน้าเหมือนดังน้ำที่แผ่ความเย็นทั่วไปทั้งแก่คนดีคนชั่วเหมือนกันหมดสิบ มีอัธยาศัยมัธยัจในอารมณ์คือเป็นกลางในอารมณ์ไม่ชอบในบางอย่างชังในบางอย่างเพราะถ้าชอบหรือชังก็เสียความเป็นกลางจะรักษามัธยัจคือความเป็นกลางอยู่ได้ก็ต้องวางใจเฉยในอารมณ์ทั้งปวงได้เหมือนดังแผ่นดินมีมัธยัจคือความเป็นกลางทั้งในของสะอาดทั้งในของไม่สะอาดที่ใครๆพากันทิ้งลงไป คุณสมบัติดังกล่าวนี้มีในคู่บารมีเป็นที่ปรากฏจึงได้ชื่อว่าบารมีทุกข้อสืบมานี่คือบารมีสิบประการของคู่บารมีแห่งจิตตะนครซึ่งฝ่ายสมุไทยหาได้มีเช่นนี้ไม่ด้วยเหตุนี้คู่บารมีของนครสามีจึงเป็นที่เกรงขามของสมุไทยจนถึงกับไม่กล้าบเผชิญหน้าสมุไทยต้องอาศัยคู่อาสวะ ซึ่งเป็นฝ่ายในด้วยกันให้ช่วยต่อต้านไว้แมบบ้ว่าคู่อาสะวะกับอนุสัยคู่หูก็ไม่กล้ า, ผาเผชิญหน้ากับคู่บารมีโดยตรงเหมือนกันต้องหาวิธีให้คู่บารมีถอยห่างออกไปพลหน้านครสามีแล้วจึงจะเข้ามาเพชรทูลนูน่นนี่นั่นน้อมโน้มนครสามีให้หันเหไปตามได้มีผู้วิจารณ์ชื่อของทั้งสองฝ่ายว่าทำไม จึงได้ชื่อว่าอาสวะที่ตรงกับคําว่าหมักหมมหมักดองใช้หมายถึงสุราหรือเหล้าก็มีทําไมจึงชื่อว่าอนุสัยที่ตรงกับคําว่านอนจมบางทีพูดควบกันในภาษาไทยว่านอนจมหมักหมมคืออนุสัยอาสวะนั่นเองบางทีก็เรียกว่าอาสวะคือกิเลสเครื่องดองสันดานหรือดองจิต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 หรือวัตถุอันเป็นที่รักเช่นเมื่อยังไม่มีอะไรมาล่อใจก็สามารถทำความดีรักษาความดีไว้ได้ครั้นมีทรัพย์มาล่อใจให้อยากได้แต่จะต้องได้มาด้วยความชั่วทุจริตก็ทิ้งความดีทำความชั่วได้หรือเมื่อพบบุคคลหรือวัตถุเป็นที่รักถ้าจะได้มาก็ต้องทิ้งความดีทำความชั่วเพื่อจะได้บุคคลหรือวัตถุซึ่งเป็นที่รักนั้น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 มีบุคคลหรือวัตถุที่รักมาล่อใจก็อดทนไม่ได้ไม่ยอมทิ้งความดีเพราะเหตุแห่งทรัพย์หรือคนและวัตถุอันเป็นที่รักสิทธิพระบรมครูกล่าวว่าคนที่ยอมสละทรัพย์กับบุคคลหรือวัตถุอันเป็นที่รักเพื่อความดีสามารถรักษาธรรมรักษาความดีไว้ได้ไม่วันไหวไปเพราะทรัพย์เป็นต้นเรียกได้ว่าเป็นผู้มีบารมีอย่างสามัญ ส่วนผู้ที่มีความดีกล้าแข็งยิ่งกว่านี้จนถึงกับยอมสละอวัยวะของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งได้เพื่อรักษาธรรมรักษาความดีหรือเพื่อปฏิบัติธรรมเรียกได้ว่าเป็นผู้มีอุปะบารมีส่วนผู้ที่มีความดีกล้าแข็งจนถึงยอมสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมรักษาความดีไว้ได้ไม่มีอะไรมาทาให้วันไหวสะทกสะท้ะทานรวนเวรไม่มั่นคง เรียกได้ว่าเป็นผู้มีปรมัตฐบารมีคู่บารมีได้บำเพ็ญบารมีกล้าแข็งขึ้นโดยลำดับบารมีที่กล้าแข็งจะต้องเป็นความดีในสันดานในนิสัยที่เก็บตัวสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นจนถึงเต็มบริบูรณ์นับว่าเป็นบารมีเต็มที่หรือสมบูรณ์ดังที่เรียกว่าปรมาตฐบารมีคู่อาสวะได้โอกาสตรงจุดบกพร่องของคู่บารมี เพราะเมื่อบารมียังไม่เต็มบริบูรณ์ก็แปลว่ามีจุดบกพร่องที่ไม่เต็มที่ฉะนั้นจึงเข้ามาตรงจุดนั้นเมื่อมายุดได้จุดหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะขยายวงออกไปเป็นอันว่าคู่บารมีกับคู่อาสวะต่างก็ยืนหยัดกันอยู่ในจิตตะนครมีลักษณะของการยึดยันกันอยู่ในที ในขณะที่คู่อาสวะได้โอกาสเข้ายึดจุดบกพร่องเพื่อที่จะแผ่ขยายกําลังให้กว้างขวางออกไปยิ่งขึ้นจุดบกพร่องที่ว่าคือจุดบกพร่องของคู่บารมีขณะเดียวกันคู่อาสวะกับสมุ ท, ทยัยแล้วก็พักพวกยังได้พยายามต่อต้านขับไล่ฝ่ายคู่บารมีอย่างเต็มที่ส่งพวกหัวโจก ค, คือโลโพโทโสโมโหกับสมุนทั้งหลายออกขับไล่คือศีล ฮิริโอต ป, ปะอินซีสังวรสติสัมปชัญญะสันโดษบรรดาที่เป็นฝ่ายคู่บารมีก็คือรรมเหล่านี้นี่คือฝ่ายคู่บารมีที่กำลังถูกโลโพโทโซโมโหขับไล่แต่พวกหัวโจกกับสมุนทั้งปวงซึ่งเป็นคนจอนหมอนมินตังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วต้องเกรีย ก, กลอมสแสวงหาเข้ามาและบำรุงที่สาคัญก็คืออารมณ์ สมุทยได้แทรกอารมณ์เข้าสู่จิตตนครทางระบบสื่อสารทั้งปวงจึงในตอนหน้านะคะช่วงหน้าเราจะมาทำความรู้จักกับอารมณ์กามฉันค่ะห้องสมุดหลังไหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลืองมาฟังกันต่อในช่วงที่สองนะคะ อตอนที่7ค่ะตอนที่7ของจิตตานครตอนนี้เรากำลังจะมาทำความรู้จักกับอารมณ์คุณอารมณ์กันบ้างนะคะจริงๆแล้วภาพการต่อสู้หรือว่างัดข้อกันระหว่างฝ่ายสมุทไทยกับฝ่ายคู่บารมีก็ดูจะเป็นภาพที่เราพบเห็นได้โดยทั่วไปเนาะในที่ทำงานการเมือง คือภาพเล็กสะท้อนภาพใหญ่บางทีภาพใหญ่ก็สะท้อนภาพเล็กแต่นี่คือภาพที่อยู่ในจิตในใจของเราเองนะคะภาพภายนอกเราอาจจะมองเห็นแต่ภาพภายในหลายครั้งที่เรามองข้ามคุณวังสามารถที่จะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดจิตตะนครได้นะคะดาวน์โหลดใส่ซีดีเก็บเอาไว้ให้ผู้สูงอายุฟังก็น่าจะดีค่ะ เป็นบริการดีๆนะคะของวิทยุไทย PBS ออนไลน์ดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะอยากฟังเรื่องไหนอย่างไรก็มาบอกกันได้ทางหน้าเว็บนี้นะคะหรือว่าไปติดต่อที่ Facebook ของดิฉันเองค่ะรัศมี28 i a s a m d u b l e e นะคะเอาล่ะไปกันเลยดีกว่าเนาะหลายคนหลายท่านคงจะรอฟังแล้วล่ะ ตอนที่7นะคะของจิตตนคร อ, อารมณ์และกรมฉันมีความสําคัญแล้วก็มีอิทธิพลอย่างไรกับจิตตะนครไปฟังกันเลยค่ะดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะว่าสมูทัยได้แทรกอารมณ์เข้าสู่จิตตนครทางระบบสื่อสารทั้งปวงเมื่ออารมณ์เข้าไปสู่จิตตนครทางระบบสื่อสารแล้วสมูทัยก็ใช้อารมณ์นี้แหะค่ะเป็นสะพาน ส่งกิเลส1500ตันหา108เข้าสู่จิตตะนครแล้วก็คุมไว้ในอำนาจซึ่งในที่นี้จะระบุถึงสักห้าจำพวกจำพวกที่หนึ่งมีชื่อว่ากามฉาันทะมีลักษณะอาการเป็นความพอใจรักใคร่ในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะที่น่าใคร่น่าปรารถนาพอใจทั้งหลายจำพวกนี้ตามหลังอารมณ์บางอย่างเข้ามา คืออารมณ์ที่มีชื่อว่าสุภานิมิตเข้ามาถึงจิตตานครเมื่อใดเมื่อนั้นจิตตานครจะปรากฏว่างดงามน้าดูหน้าฟังหน้าดมหน้าลิ้มหน้าถูกต้องไปเสียทั้งนั้นจิตตานครจะเป็นเมืองงามไปทันทีด้วยสีสันวันณนะด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสิ่งถูกต้องทั้งหลายทีนี้การมาฉันทะก็เข้ามาทันทีชาวจิตตานครก็พากันยินดี พอใจรักใคร่สนุกสนานรื่นเริงกันทั้งเมืองบางก็เที่ยวดูการและเล่นเต้น ร, รนานาน า, นานชนิดมีทุกแบบไม่ว่าจะแบบไทยแบบฝรั่งแบบแขกจีนยวนขเขมพรพมา่ามอนว่าถึงแบบไทยก็มีพร้อมไม่ว่าจะเป็นโขนละครลิเกหนังใหญ่หนังตลุงตลอดถึงหนังญี่ปุ่นที่บัดนี้เรียกกันว่าภาพยนตร์ บางก็เที่ยวฟังการร้องรำทำเพลงดีสีตีเป่าต่างๆมีดนตรีทุกแบบทุกชนิดทุกภาษาบางก็เที่ยวสูดดมกลิ่นสุคชนชาตินานาชนิดตลอดถึงสูดอากาศบริสุทธิ์จากที่ต่างๆบางเป็นนักบินเที่ยวบริโภคอาหารอันโอชะนานาชนิดในโพชนาคารอันมีอยู่ทั่วไปบางก็แสวงหาสิ่งสัมผัสที่ถูกใจอันมีอยู่มากเช่นเดียวกัน และดังที่ได้กล่าวแล้วว่าอันรูปเสียงกลิ่นรสผลทัตพระทั้งหลายทั้งปวงในโลกถ้าจะถามว่าอะไรเป็นยอดก็ตอบได้ตามคําของพระบรมครูว่าเป็นยอดนั้นคือของสตรีเป็นยอดสําหรับบุรุษและของบุรุษเป็นยอดสําหรับสตรีเมื่อจิตตนครเป็นเมืองงามขึ้นด้วยอารมณ์อันมีชื่อว่าสุพานิมิต ชาวจิตตนครก็พากันเพลิดเพลินยินดีในความงามคือในรูปเสียงเป็นต้นตั้งแต่ชั้นยอดลงมานี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่ากรรมมชันธามเมื่อถึงจำพวกที่สองที่มีชื่อว่าพยาบาทพยาบาทเป็นความหงุดหงิดขัดเคืองโกรธแค้นเดือดดานจนถึงกับมุ่งร้ายในบุคคลหรือสิ่งที่ไม่ชอบใจทั้งหลาย ีพวกน้ตามหลังอารมณ์บางอย่างเข้ามาเช่นเดียวกันคืออารมณ์ที่มีชื่อว่าปฏิฆะนิมิตเครื่องกำหนดหมายเป็นที่หน้าช่งเป็นที่ขวางตาขวางหูขัดจมูกขัดลิ้นไม่สบายกายไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างจิตตนครที่เคยเป็นเมืองงามก็จะกลายเป็นเมืองที่หน้าเกลียดหน้าชังไปทันทีโดยสีสันวันณนะเสียงกลิ่นรสสิ่งที่ถูกต้องอารมณ์ทั้งหลาย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 กับอารมณ์ที่ชื่อว่าสุภานิมิตถ้าสุภานิมิตเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีแต่ถ้าปฏิฆานิมิตเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสวยงามความพึงพอใจก็จะหายไปหมดปรากฏเป็นความถมึงตึงเป็นความเครียดถ้าจะมีการเต้น ก็มีใช่การเต้นเพื่อร้องรำทําเพลงแต่เป็นการเต้นเพื่อทำร้ายด่าทอแทนเสียงขับร้องการที่จะปฏิบัติต่อกันทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะด้วยอำนาจของโรคด้วยอำนาจของราคะก็กลายไปเป็นปฏิบัติต่อกันด้วยอำนาจของโทสะจิตตนครก็กลายเป็นเมืองร้อนด้วยไฟโทสะอันที่จริงเมื่ออารมณ์ที่ชื่อว่าสุพานิมิตเข้ามา และการมฉันติดตามเข้ามาด้วยนั้นจิตตะนครกลายเป็นเมืองที่งดงามสนุกสนานเหมือนอย่างเต็มไปด้วยความสุขแต่ก็เป็นเมืองที่ร้อนด้วยไฟราคะเช่นเดียวกันผู้ที่พิจารณาจะมองเห็นได้สมุทัยส่งอารมณ์ทั้งสองนี้ไปสู่จิตตานครเสมอและส่งการมาชฉันกับพยาบาทติดตามเข้าไปทันทีซึ่งก็ได้ผล คือทำให้จิตตานครลุกโพรงอยู่ได้ไฟราคะบ้างโทสะบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปนอกจากนี้สมุทัยยังทำให้จิตตานครเป็นเมืองง่วงเหงาหลับไหลไปก็ได้โดยส่งอารมณ์บางอย่างเข้าไปเช่นความเบื่อไม่ยินดีหรือความเกลียดคร้านความบิดแช่เชือ้อความเมาอาหารความมีใจย่อหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เมื่ออารมณ์ดังกล่าวเข้าไปถึงจิตตาครจจำพวกที่สามอันมีชื่อว่าทีนมิทะซึ่งมีอาการง่วงงุนเครือบเคล้มก็จะติดตามเข้าไปทันทีจิตตนะครที่เคยรื่นเบิงตึงเครียดก็จะกลายเป็นเมืองง่วงหรือหลับไปทันทีไม่เช่นนั้นก็จะห่อเหี่ยวเกียดคร้านคล้ายกับเวลาที่ใครนั่งฟังครูอธิบายหรือที่นั่งฟังเทศ มักจะง่วงความง่วงมักจะแอบหลังความสงบเข้ามาเวลานั่งฟังเทศจิตมักสงบจากเรื่องต่างๆเมื่อสงบจิตก็มักรวมแคบเข้ามาดุจแสงตะเกียงริบบี่เป็นโอกาสให้ความง่วงลอบเข้ามาทำให้งุบงับสัปะงะกทันทีจิตสว่างขึ้นกว้างขึ้นเมื่อใดความง่วงก็ถอยหนีสมู ท, ทยัยยังมีการส่งอารมณ์เข้าไปอีกอย่างหนึ่ง คือความฟุ้งซ่านแห่งใจส่งตามไปด้วยจำพวกที่สีซึ่งมีชื่อว่าอุทธะกุกกุจัพซึ่งมีลักษณะอาการเป็นความฟุ้งซ่านลำคาญใจเพียงเท่านี้จิตตนครก็กลายเป็นเมืองฟุ้งไปทันทีฟุ้งอย่างไรให้คิดเทียบกับเวลาที่มีลมแรงพัดฝุ่นคลุ้งไปหมดมีใช่แต่เท่านี้ จิตตานครยังต้องเผชิญกับอารมณ์อีกอย่างหนึ่งคือธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจชาความสงสัยลังเลไม่ตกลงได้และวิจิกิจชาก็จู่โจมเข้ามาทันทีนี่คือจำพวกที่5มีลักษณะเป็นความลังเลสงสัยไม่แน่ใจเมื่อเข้ามาถึงจิตตานครก็กลายเป็นเมืองแห่งความสงสัยลังเลทุกคนพากันนั่งลังเลไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรดี สมูทายนั้นชอบใจที่ได้เห็นจิตตานครมีอารมณ์และอาการต่างๆดูเป็นที่สับสนโอนละมานเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้สมูทายกลัวทําบางข้อนั่นคือโยนิโสมนานสิกาได้แก่ความทําไว้ในใจโดยแยบข่ายถ้าทำข้อนี้เข้าไปสู่จิตตานครแล้วอารมณ์ทั้งปวงก็หมดอํานาจจิตตานครจะเป็นเมืองสุขสงบขึ้นทันทีฉะนั้น สมุทัยจึงพยายามใส่อโยนิโสมนสิการซึ่งได้แก่ความทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายเข้าไปในอารมณ์ทุกอย่างอารมณ์เหล่านั้นจากระด้างแข็งแรงขึ้นเป็นชนวนนำนิวรขึ้นมาทันทีอโยนิโสมนสิการจึงเป็นสมุนสำคัญของสมุทัยอีกผู้หนึ่งการทำไว้ในใจโดยแยบคาย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 ด้วยเหตุนี้สมุทัยจึงพยายามที่จะใส่อายนิโสมณสิการได้แก่ความทําไว้ในใจโดยไม่แยบคายเข้าไปในอารมณ์ทุกอย่างอันหนึ่งอโยนิโสมณสิการแปลว่าความทําไว้ในใจโดยทางมิใช่ต้นเหตุคําว่าความทําไว้ในใจตรงกับคําที่พูดกันง่ายๆว่าใส่ใจ หมายถึงเอาใจใส่คิดพินิษพิจารณาก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆอย่างจะต้องมีต้นเหตุซึ่งให้เกิดผลทีแรกที่น่าจะเรียกว่าต้นผลเช่นเดียวกันผลทีแรกนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลต่อไปอีกและผลนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลสืบไปอีกกว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นให้ตาเห็นหูได้ยินดังที่เรียกกันว่าปรากฏการณ์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 แต่ก็ต่างจากเหตุผลที่คิดเห็นกันในสมัยโบราณเช่นดังที่คิดเห็นว่านางเมฆลาล่ อ, อกแก้วรามสู์เขี้ยงขวานจันทราคาาศุรยคราทในครั้งโบราณเข้าใจกันว่ายักษ์ใหญ่ที่ชื่อว่าเหาหูอมจันอมอาทิตย์แต่ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์แสดงเหตุผลดังที่ทราบกันอยู่ทั่วไปและได้คำนวณจับเวลา กับทั้งสถานที่ที่จะมองเห็นด้วยตาได้แน่ชัดถูกต้องแม้สิ่งที่ปรากฏอย่างอื่นก็ย่อมมีเหตุผลของแต่และสิ่งเช่นเดียวกันตลอดถึงสิ่งที่ปรากฏของสัตว์บุคคลเช่นมีเรื่องเล่าถึงนักบวชในลัทธิอย่างหนึ่งผู้หนึ่งผู้นี้เดินทางไปพบวัวดุตัวหนึ่งวัวดุตัวนั้นตั้งทากลมศรีรษะลง นักบวชผู้นี้กลับคิดว่าแม่วัวตัวนี้ช่างรู้คุณของเรากม้มศีรษะลงเพื่อคำนับนอบน้อมต่อเราดีกว่าคนเป็นอันมากที่ไม่รู้คุณของเราฝ่ายวัว ด, ดุนั้นก็ตรงเข้าขิดนักบวชผู้แปลความหมายผิดนั้นจนถึงแก่สิ้นชีวิตตัวอย่างนี้แสดงว่ากริยาที่วัวก้มศีรษะลงนั้นมีต้นเหตุในทางหนึ่งคือต้องการจะเตรียมขิด แต่นักบวชผู้นั้นเอาใจคิดไปเสียอีกทางหนึ่งว่าเขาจะคำนับเปล่าจึงตั้งท่ารับคำนับเต็มที่ัวจึงคิดได้อย่างถนัดทนีนี่คือตัวอย่างของอโยนิโสมณสิการสมุทัยใช้อโยนิโสมณสิการนี้เป็นลูกมือให้ลอบเข้าไปในจิตตาครกับอารมณ์ทำให้ชาวจิตตนครเครือบเคลิ้มแล้วนิวรก็วิ่งเข้ามาทันที ดังจะพึงเห็นได้เช่นในบ้านเมืองทั้งหลายก็จะต้องมีคนเดินไปเดินมาประกอบธุรกิจต่างๆมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกคนจะต้องได้เห็นอะไรต่ออะไรได้ยินอะไรต่ออะไรได้กลิ่นอะไรต่ออะไรได้รสอะไรต่ออะไรได้ถูกต้องอะไรต่ออะไรได้คิดอะไรต่ออะไรเพราะต่างก็มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจอยู่ด้วยกันแม้จะมีประสาทห้า อันใดอันหนึ่งพิการเช่นตาบอดหูหนวกแต่ก็ยังมีใจซึ่งเป็นประบบสื่อสารชั้นในคิดอะไรต่ออะไรได้อยู่น่าจะเรียกว่าประสาทชั้นในก็ได้เว้นไว้แต่บางคนที่ประสาทชั้นในดังกล่าวเสียดังเช่นเป็นโรคเกี่ยวแก่สมองกลายเป็นเสียจริตบ้าบอไปก็กลายเป็นคนที่มีความคิดเลื่อนเปื้อนเป็นที่สมใจของสมุ ท, ทยเพราะว่าเมื่อเป็นบ้าเป็นบอไปเสียแล้ว ก็ตกอยู่ในอำนาจของสมุทัยเต็มที่ฝ่ายคู่บารมีมีพร้อมทั้งพระบรมครูไม่อาจช่วยได้ความเป็นบ้าบอก็เนื่องมาจากอารมณ์อันประกอบด้วยอโยนิโสมณสิกานี้ที่รุนแรงสักหน่อยทั้งประกอบด้วยกรรมเก่าบางอย่างด้วยกรรมเก่าหรือกรรมใหม่ทั้งปวงก็เนื่องมาจากอารมณ์กระตุ้นที่เกิดเจตนาก่อกรรมนั้นๆขึ้นฉะนั้นต้นทางหรือต้นเหตุหแห่งกรรมและผลทั้งปวง จิงอยู่ที่อารมณ์กับอโยนิโสมนสิกานี้เองอโยนิโสมนสิกานี้เป็นผู้ปั้นแต่งน่าจะคล้ายๆกับผู้แต่งตัวโขนละครที่หลังฉากนั้นก็ไม่มีพระนางยักษ์ลิงอะไรที่ไหนแต่มีผู้แต่งตัวให้เป็นพระเป็นนางเป็นยักษ์เป็นลิงเพื่อออกไปเต้นเป็นพระเป็นนางเป็นยักษ์เป็นลิง เต้นไปตามบทบาทเมื่อกลับเข้าหลังฉากก็เลิกกันอโยนิโสมนานสิการก็เหมือนผู้แต่งตัวโขนละครนี้คือแต่งอารมณ์ให้เป็นพระเป็นนางกามาชันก็วิ่งเข้ามาทันทีชาวจิตตนครซึ่งเป็นเหมือนผู้ดูก็ชอบใจรักใคร่ตัวพระตัวนางยิ่งนักเมื่อเป็นตัวยักษ์ตัวมารพยาบาทก็วิ่งเข้าทันทีเหมือนกันผู้ดู ก็พากันเกลียดชังตัวยักษ์ตัวมารซึ่งอันที่จริงเป็นตัวที่แต่งขึ้นทั้งนั้นไม่มีสัจจะคือตัวจริงอยู่เลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลือง